ตอนนี้นั่งกำหนดจิตทำความสงบสงบ ก, กายสงบใจวันนี้เราตรวจสติปัฏฐานสติปัสสถานก็คือวิธีฝึกสติคนเรามีสติทุกคนสติคือความระลึก สัมปชัชชะยะคือความรู้ตัวสติสัมปัชัญญะพระพุทธเจ้าสัตว์ว่าสติสัมปัชัญญะนี่เป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทียบกับธรรมะต่างๆแล้วถ้าเทียบเป็นรอยเท้าตั้งหลายก็เปรียบเสมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนะ่เป็น รอยเท้าที่ใหญ่ท่านบอกว่ารอยเท้าตัดอื่นๆนั่นน่ะสามารถเอาไปใส่ในรอยเท้าช้างได้คือไม่ยิ่งใหญ่ไป ก, กว่ารอยเท้าช้างนั่นเองรอยเท้าช้างนี่ครอบกลุมมดอันนี้มีความหมายว่าสติทั้งปัญญนี่เป็นธรรมะที่มีความเกื้อหนุน ที่ใช้สำหรับเพื่อนุนคุณธรรมต่างๆทั้งหมดฝึก้นสมาธิถ้าไม่มีสติไม่มีสมปัจจัยมันก็ไม่เป็นสมาธิอย่างเช่นสมมติเราเราจะ ล, ะลึกลไปถึงอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าเราจะรู้เรื่องราวของเรื่องนั้น อย่างสมมติว่าเราจะต้องการรู้เรื่องอะไรสักอย่างนึงเช่นเราจะรู้ถึงตัวของเราเนี่ยเราก็ต้องระลึกกลับมาถ้าเราจะรู้จักจะรู้หินหมักเป้งเราก็ต้องระลึกไปที่วัดหินหมักเป้งแล้วเราก็จะรู้อย่างน้อยที่สุดก็รู้ระลึกออกมาจากความจำอย่างนี้เป็นตน้น ถ้าไม่ระลึกก่อนแล้วมันมันไม่ได้ผลทำสมาธินี่นเหมือนกันการที่เราระลึกพระพุทธเจา้าบอกสติจังปรัญญาะนะมีทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าว่ามันยังไม่เป็นระเบียบคุณภาพมันจึงใช้ไม่ได้เราจะต้องฝึกให้มีระเบียบวิธีฝึกที่มีระเบียบที่ได้ผลดีก็คือ การฝึกระลึกย้อนกลับมาที่ตัวเองคนเราในส่วนมากก็ระลึกกลับไปแต่ข้างนอกนั่นแหละเมื่อเป็นเด็กก็ระลึกไปสนุกสนานไปตามประการเด็กออกไปข้างนอกเหมือนกันแล้วก็โตขึ้นก็ระลึกไปข้างนอกโตขึ้นมาสักหน่อยรำเรียนหนังสือก็ระลึกตาเกื่อยเปื่อยกินขมมาหากินยิ่งระลึกไปไกลออกไปเรื่อย ต้องฝึกกันึให้ระลึกกลับมาเราเกิดมาเป็นผู้เป็นคนอยู่นี่นะมีกันสองส่วนเท่านั้นแหละมีมาด้วยกันสองส่วนกายกับจิตใจสองส่วนเท่านี้นะทีนี้ถ้าเราไม่ระลึกกลับมาเลยจิตใจของตนเองมันก็ไม่รู้จักเลยครับที่จงกระทั่งตายจากกันต้องแยกกันไปคือตาย ตายแล้วก็แยกกันนี่กนะ็เลยไม่รู้จักใจไม่รู้จักเพราะฉะนั้นต้องหัดฝึกหัดระลึกอย่างน้อกวคิดว่าให้เราเนี่ยทั้งตัวเนี่ยให้มันครอบองค์ให้มันครบคนหน่อยเพราะฉะนั้นมันจะเหลือครึ่งเดียวเหลือแต่ร่างกายอยู่นี่จิตใจอยู่กรุงเทพจิตใจอยู่ที่ไหนอื่นนูน่นอย่างนี้เรียกว่าไม่ไม่ครบ าภาษาตลาดเขาก็บอกไม่เต็มบาทถ้าเป็นบาทหนึ่งเนี่ยก็ไม่เต็มบาททังนั้นฝึกระลึกกลับมาที่ตนุกตนเองแล้วมันจะรู้ตัวถ้าระลึกแบบคนทั่วไปนยะปีทั้งปีชาติทั้งชาติก็ไม่รู้ตัวตัวของตัวเองเนี่ยไม่รู้สักทีเพราะว่ามันระลึกไม่ถูกที่เมื่อระลึกกลับมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราเดินอยู่ หรือเรานั่งอยู่ท hmm ี่เรายืนอยู่หรือเรานอนอยู่นี่มันก็จะรู้จักอย่างนี้ก็จะรู้จักถึงละเอียดเข้าไปกว่านั้นหายใจเข้าก็จะรู้จักหายใจออกก็จะรู้จักแต่ทาไมระลึกกลับมาเลยมันไม่มีทางจะรู้จักมันไม่รู้จักหรอกทาไมระลึกกลับมาระลึกกลับมาที่ลมหายใจเราอยู่ที่ว่ามันมีไหม ลมหายใจมีไม้มอ๋อมีอยู่หายใจเข้าก็มีหายใจออกก็มีมันก็รู้ตัวทำความรู้ตัวอย่างนี้ไว้เบาๆรับรู้เท่านั้นน่ะรับรู้เฉยๆก็แปลว่าจิตใจเราจะอยู่แล้วจิตใจเราไม่ไม่เป็น่านจากข้างนอกแล้วก็เรียกว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัว กายมี ใ, ใจด้วยก็เรียกว่าครบคนถ้าครบคนแล้วสมบูรณ์แหละคนเราที่ประสิทธิภาพมันน้อยก็เพราะมันไม่ครบไม่ครบส่วนไม่ครบคนมันมีอยู่ครึ่งเดียวอย่งปั่มปั่มเปื่อยเปืยระบางทีทีนี้การส่งจิตส่งใจของพวกเราเนี่ยนักภาวนาทั้งหลายควรจะรู้จักว่ามีการส่ง ส่งออกไปทั้งนั้นนะ่ะส่งออกไปจากตัวเองส่งปู่ท่านจะพูดในลหลายๆที่เหมือนกันท่านบอกว่าส่งในมัน่งส่งนอกมั่งอย่างส่งนอกนี่ก็อย่างเช่นเราตาเราตาเราก็มองไปนูน่นพอตามองไปนูน่นจิตใจมันก็ไปเห็นมันก็ไปรับรู้ตรงนูน่นมันก็หนีไปจากตัวแล้วความที่จะ จิตใจจะรู้จากตัวอยู่ขณะนั้นก็ไม่มีแล้วเพราะมันไปรู้อยู่นู่นดั น, นั้นเรียกว่าส่งนอกเสียงก็เหมือนกันพอได้ยินเสียงจิตใจก็ไปนู่นแหละไปที่ต้นเสียงนู่นแหละมันก็เลยจิตใจของตัวไม่อยู่กับเ น, นืตัวเองแหละก็เลยเป็นโอกาสให้ว่ามีมีแต่ตัวเปล่าๆส่วนจิตใจอยู่ที่อื่นอันนี้นเราว่าส่งนอกทีนี้ก็อนนี้ส่งใน กำหนดจิตมาในนี้เอากำหนดให้ยิ่งอยู่ในนี่ปรเดี๋ยวก็คิดไปต่างๆนีแล้วท่านี่เนะ่ยหลับตาแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วใจยังคิดไปคิดไปถึงอุวเทศเนะนี่ยนะใจไปอยูนะ่นุวเทลอีกแล้วหรือไม่ก็หลับตาลงแล้วคิดว่าเห็นนั่นเห็นนี่จิตใจล่องลอยไปเองแล้วนั่นก็เรียกว่าส่งในทั้งส่งนอกทั้งส่งในเนี่ยนะไม่ถูกทั้งนั้น ทำให้จิตใจไม่มีกําลังคล้ายๆกับเราทํามาหากินได้มากๆเนี่ยปลูกพืชพันธุ์ดัญยาหางได้มากๆอะ่ะส่งออกหมดส่งออกมดไม่เอาเหลือไว้ที่ตัวเลยมันจะไปเหลืออะไรมันก็ไม่เหลือลี่มันก็ทุกข์ประจนอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกําลังใจของเรามันจึงไม่ค่อยมีกันเพราะฉะนั้นวิธีที่จะดีที่สุดก็คือฝึกสติ สับสำปชันยะสติคือความระลึกหัดให้มันระลึกกลับมาที่ตัวเองบ่อยๆแล้วก็สำปะชันยะคือความรู้ตัวเนี่ยหัดรู้สึกตัวหัดรู้จักตัวหัดรับรู้ตัวเองอยู่บ่อยๆรับรู้ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกาลังนอนละเอียดเข้าไปต่อว่ากำลังยกแก้วน้ำมาเดิมกำลังหายใจอยู่งนี้ เรียกว่ารับรู้ให้สุดนิจใจอันนี้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปเคร่งเครียดนะไม่ใช่การไปเคร่งเครียดกับไม้ถูอีกแล้วให้เพียงจะรับรู้เท่านั้นนะ่ะรู้ตัวอยู่เมื่อเดินอยู่ก็คือรู้ว่าเราเดินในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นนะ่ะพระสูตรใหญ่ถ้าไปอ่านดูนจะเห็นในภาคกายานุปัตตนาสติปัฏฐานนั่นท่านบอกว่า คือใช้อริยาบทเป็นเครื่องฝึกผลสติเชิงปัญญะมันบอกว่าเมื่อเดินอยู่ก็พึงรู้ว่าเราเดินเมื่อนอน อ, นอยู่ก็พึงรู้ว่าเรานอนเมื่อนั่งอยู่ก็พึงรู้ว่านั่งเมื่อยืนอยู่ก็พึงรู้ว่ายืนรับรู้ตนเองรับรู้ไว้บ่อยๆรับรู้เฉยๆไม่ใช่ไปบังคับบางทีเรา ฝึกใหม่ๆมันก็อยู่บ้างมันก็รับรู้บ้างมันมนีบ้างแต่ว่าฝึกบ่อยๆมันจะค่อยอยู่เองไม่นานเท่าไหร่มันก็อยู่ต่อไปนี้ต้งเจอกับรกู